ค่ะอ๋อคือทำยังไงเราถึงจะทำลายความยึดถือว่าเป็นตัวเราอย่างนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าอ้อเราคิดแต่ว่าเราก็ยังคิดอยู่อย่างนี้ค่ะก็มันเหมือนจะยึดยึดการที่จะปล่อยวางความหลงยึดได้เนี่ยคือจะต้องเห็นจะต้องเห็นมันก่อนเนาะต้องเห็นยังไงก็ต้องเห็นก่อนถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ปล่อยวางไม่ถูกตัว เช่นจะปล่อยวางตัวเรานะมันก็ต้องต้องเห็นตัวเราหรือว่าจะทำความคิดก็จะต้องเห็นความคิดคือเพียงแค่เห็นอะ่ะออไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปทาลายอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องไปจาัด ก, การเพียงแต่เห็นแค่เนี้ยมันก็จะเกิดภาวะการหลุดการพ้นแต่ส่วนมากคนก็จะไม่เห็นเช่นสมมติว่าเมื่อกี้โยมถามเนาะโยมถามขึ้นมา ทำยังไงถึงจะปล่อยวางตัวเราก็หมายความว่าถ้าไม่เห็นตัวเราเนี่ยก็จะเอาตัวเราเนี่ยพยายามจะปล่อยวางตัวเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปพยายามจะวางตัวเราแต่ถ้าเห็นตัวเราผู้พยายามจะไปปล่อยวางให้เห็นตัวเนี้ยให้เห็นว่าไอ้ตัวเราผู้จะไปปล่อยวางเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งในปัจจุบันแค่เห็นตัวเราผู้ผู้จะไปปล่อยวางแค่เนี้ยก็ เรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นเห็นจบแล้วเนี่ยมันก็จะกลับว่าปล่อยวางแล้วไป ม, ม, มันมองออกว่าปล่อยวางแล้วเนาะแต่ให้เห็นตัวเราบ่อยๆที่ผู้ที่จะพยายามจะทําอะไรอะให้เห็นตัวเราตัวเนี้ยแล้วมันก็จะชนานาญมากขึ้นเพราะว่าหลวงพ่อบอกเลย ว, ว่าสภาพธรรมะที่เห็นหรือว่าสภาพธรรมะที่รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่พ้นไปแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นคนละตัวเป็นคนละสภาวะกันค่ะ ก็หมายถึงว่าเราต้องเห็นก่อนว่าเราพยายามจะปล่อยวางว่าเราคิดแบบนั้นใช่ไหมคะต้องเห็นตัวเราก่อนว่าคนที่เข้าไปกํากับควบคุมการปล่อยวางความคิดว่ามันเ อ, อเหมือนเรายึดถือตัวเราอย่างนี้ยค่ะก็คือเราต้องเห็นเห็นเราก่อนใช่ใช่ทีนี้เดี๋ยวโยมลองแบบนั้นเข้าใจถูกไหมคะ <laughs> เอออ่ะทีนี้โยมลองยกตัวอย่างอะไรก็ได้ที่ที่เป็นความรู้สึกว่า โยมยังทำไม่ได้หรือโยมอะไรไม่ได้เออลองลองพูดสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้อค่ะถ้าบางครั้งยังอย่างเราเผลอสติเราไม่เราไม่ไ ม, ไม่ทันความคิดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นอารมณ์ที่มันภายนอกที่มากระทบสัมผัสเราอาจจะเป็นความโกรธของคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้แล้วก็มากระทบเราอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็เราก็ไม่ทันสติเราเผลอไปเราไม่รู้เรามารู้ที่หลังว่าเราก็มี ความโกรธอยู่เหมือนกันแต่เรายังไม่ได้มันไม่ได้แสดงออกมาเพราะมันยังไม่ไม่ได้เกิดในการตอบโต้ในทันทีแต่เรารู้อยู่ว่าเราคิดอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่า อ, อ๋อเออเรายังไม่ทันเพอสติไปเราก็มีความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปทางวาจารหรืออะไรนะคะก็รู้ทีนี้เราก็คิดว่าเรารู้เราก็พยายามจะปล่อยวางความโกรธนั้นนะคะเราก็ยังยึดถืออยู่นะคะพระอาจารย์ว่าเป็นตัวเราคะ่ะ ถึงเราจะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราโกรธอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างนี้ทํายังไงถึงจะปล่อยวางได้อะค่ะตกลงปล่อยวางตัวไหนปล่อยวางปล่อยวางตัวเราค่ะหรือว่าต่อยวางผู้โกรธหรือว่าปล่อยวางปล่อยวางผู้พยายามก็อ๋อคือความโกรธนี่เราก็พยายามปล่อยวางทีนี้พอระวางได้เนี่ยคือระวางได้เราจะพยายามปล่อยวางตัวเราอีกทียังไงค่ะว่าอ๋อ เอ้เรายัางไปยึดอยู่นะว่าเราโกรธอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความโกรธมันหายไปแล้วนะคะมันจางหายไปแล้วเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคิดอยู่เงี้ยค่ยคะถ้าเกิดเออมันมีเจอหน้ากันก็อาจจะยังมีความโกรธซ่อนอยู่แสดงว่าเรายัางวางไว้หมดใช่ไหมคะ <laughs> หนูก็งงๆค่ะ <c oughs> คือธรรมะเอ่อธรรมะนะต้องต้องให้เป็นเป็นอารมณ์ปัจจุบันเนาะเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อเอหลวงพ่อชี้นะขณะที่เราคุยปัญหากันเนี่ย เราจะเอาเรื่องอดีตบ้างว่าเช่นไม่ทันอารมณ์อย่างงน้นอย่างนี้เนาะเราไม่ทันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ต่อไปอนาคตกลัวว่าเราจะไม่ทันอีกเหล่าเนี้เขาเรียกว่าหลงหลงหลงอดีตหลงอนาคตแต่เราไม่อยู่กับปัจจุบนันเราไม่เห็นตัวเองในปัจจุบนันตัวเองในปัจจุบันก็คือเนี่ยตัวเราที่กําลังพูดกําลังคุยกําลังอะไรอยู่เนาะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีอะไร มีแต่ตัวเราเนี่ยตอนเนี้นั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้เนี่ยที่เห็นอยู่รู้อยู่นะหรืออาจจะมองในว่าเออตัวเราขณะเนี้ยกําลังฟังสนท น, นารำกันอยู่เห็นไหมโยมจริงๆความโกรธความอะไรมันไม่ได้มีแต่เราอะ เ, เราลืมตัวในปัจจุบันเนาะก็เลยทําให้ไม่ไม่ชํานาญในการรู้สึกตัวในปัจจุบันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นเลยว่าให้รู้ตัวในปัจจุบันรู้เราตอนนี้ยรู้เราว่าเออกําลังฟังกําลังสนทนากันเห็นไหมความโกรธไม่มีจริงๆหรือ อะไรต่างๆที่โยมเล่าอ่ะทั้งในอดีตอนาคตมันก็ไม่มีในปัจจุบันนะเพราะงั้นก็วกกลับมาที่ตรงนี้ทีนี้พออยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเมื่อรู้ตัวเราเนาะเช่นตัวเราเรากำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยรู้ชัดเลยว่าอ่ะตัวเรานั่งฟังสิ่งที่จะวางตัวเราก็คือวางไอ้ตัวที่นั่งฟังนี่แหละว่าไอ้ตัวเนี้ทั้งตัวมันมันเป็นสังหารผงแต่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่อุปาทานไม่หลงยึดมันเพียงแต่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าไม่มีผู้ยึด อ่าเห็นไหมเพราะรู้อยู่ไงรู้อยู่ว่ามีมอยู่แต่ก็ไม่มีผู้เยอะง่ายไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือปัญหาของหนูคือไม่อยู่ในปัจจุบันบางครั้งอยู่ในอดีตบางครั้งอยู่ในอนาคตปรุงแต่งล่วงหน้าไปเองอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะก็เลยไปหลงยึดถื อ, อ, อ <laughs> เป็นอย่างนั้นไหมคะถ้าอาจารย์ฟัง ฟังดูแล้วหนูก็เพิ่งรู้ตัวค่ะเออมันมีตัวเราไงมีตัวเราไปมีตัวเราไปพูดเรื่องอดีตมีตัวเราไปพูดถึงอ่าสาธุนะโอมค่ะค่ะสาธุค่ะพอาจารย์เอามีใครเองเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนูขอบคุณขอบพระคุณค่ะอ่าอ่า่าตตัวนะะทีนี้ทีนี้เอามีใครเอกเนี่ยการชวนคุยแบบนี้นะมันทําให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะว่า เคสมันก็คล้ายๆกันและก็พอมีหลวงพ่อชี้บอกปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออมันพลาดตรงไหนแล้วต่อไปควรจะรู้อะไรยังไงเงี้ยมันมันมันเป็นปัญญาที่ที่ทำให้อะไรแล้วมันพัฒนาได้เร็วเพราะมีการชี้ทางชี้บอกอยู่อา้าวมีใครอีกไม้หรือหรือยอม And, อาจจะชวนคุยเรื่องอื่นไปก็ได้ที่ที่มันเอาอย่างอะไรยังคาอยู่หรืออะไรก็อ้าเชิญเลยก็ได้กคนอื่นยังไม่ขึ้นมาคือการฝึกอย่างเงี้ยค่ะฝึกรู้ตัวนี่ก็คือเราฝึกจากผัสสะก็ได้หรือไม่ใช่ผัสสะก็ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้คือพูดถึงการฝึกนะคะฝึกรู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะ S 1> <S 1> มันมีมันมีเนาะพอปัจจุบันเนี่ยคือเราจะต้องเข้าใจหลักธรรมในพื้นฐานก่อนที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องตรงเนี้ยเป็นหัวใจมากเลยที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังขารเนาะสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจในในเบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเที่มานั่งอยู่ในห้องขับทั้งหมดเนี่ยนะทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสังขารเนาะ และก็สังขารเนี่ยมันมีความเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันคือมันทนสภาพไม่ได้มันจะต้องแตกสลายตายดับไปนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนทีนี้ถ้ามีปัญญาในระดับที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าใจแค่นี้แล้วเนี่ยให้พึงสำเนียบอยู่ในใจตลอดเวลาเลยว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันเป็นสังขารมันเป็นสังขารทีนี้เมื่อมันเป็นสังขารเนี่ย ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์ใช่ไหมที่จะต้องไปปฏิบัติอะไรเพียงแต่เข้าใจตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยว่าที่มีอยู่เนี่ยที่รับรู้ได้เนี่ยเกําลังนึกได้ระลึกก็เรียกว่ารับรู้อะไรได้ละ่ะถ้ารับรู้ได้เรื่องร่างกายก็จะเข้าใจเลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ามันระลึกได้ถึงอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้ว่าอ๋อมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะระลึกได้ถึงอะไรละ่ะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ก็ให้มีปัญญาบวกเข้าไปบวกเข้าไปก็คือว่ามันไม่ใช่ตัวตนพอเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนืองๆ เ, เ, เนี่ยมันก็จะถอดถอนความเห็นผิดอยาเคยเห็นผิดแบบอย่างเหนียวแน่นว่ามันเป็นเราเป็นเราแต่พอมีบ่อยเข้าเนี่ยมันจะเป็นปัญญาคือแต่สัตรู้ว่ามันแค่ใดที่ป็นแค่อันไม่ใช่เราทีนี้เมื่อไม่ใช่เราปั๊กเนี่ยพอโยมถามขึ้นมาแล้ว เราจะปฏิบัติยังไงเราจะดูอะไรอะมันก็จะรู้เลยว่าอ่าหลงไาเป็นเราจะปฏิบัติอีกแล้วมันก็วางลงนะแล้วก็ประโยชน์ว่าแล้วเราจะรู้ตรงไหนดีอะมันก็รู้ก็ได้อยู่แลมีเราหลงมาเป็นเรื่องแล้วก็วางลงวางลงอย่างเงี้ยง่าใช้เชื่อยู่ในปัจจุบันว่าศอสนาปัจจุบันเนี่ยมีแต่สังขารเท่า น, นั้นเนาะมีแต่สังขารมีแต่เมื่อมีแต่สังขารแล้วยมดูนะใครจะไปปฏิบัติอะไร อ่าสมมติเนี่ยเอาสมมติเข้าใจแล้วเนี่ยเมื่อมีแต่ฐานไม่ได้มีเราเนี่ยแล้วใครจะปฏิบัติอะไรคําต่อก็คือว่าเออก็ไม่มีผู้ปฏิบัติไงแล้วก็เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติก็เข้าใจต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะอยู่กันยังไงก็อยู่เดิมจะเดินจะนั่งจะนอนก็เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช้เราเป็นผู้เดินร่างกายมันเดินน่ะแล้วก็จะคิดอะไรเราก็ไม่ได้คิดมันต้คิดของมันเองอ่ะเออจะหิวจะร้อนอาก็ร้อนของมันเองมันก็หนาวของมันเอง มันหิวของมันเองก็ไม่ใช่เราอีกอ่ะเห็นไหมไม่มีปฏิบัติแต่ ม, มีแต่สังขารที่มันทำรูเขาผ่านไปผ่านไปเนี่ยอย่างนี้มันไปทาให้ความหลงก็หรือว่าความหลงผิดเนี่ยมันก็เตียวจางหายต่อหายไปมันพัฒนาได้เร็วมากนะให้ถามต่อค่ะขอะคุณ มีใครคนอื่นอีกไหมชวนคุยหน่อยสงกรานผ่านไปแล้วสงกรานก็เป็นแค่มีสงกรานเนี่ยเออนี่มามองกันนิดหนึ่ง ก, ก่อนที่คนอื่นจะถามนะสงกรานเนี่ยแต่เดิมมันไม่มีหรอกมันมีเกิดจากคนเกิดจากคนนี่แหละไปบัญญตัติไปสมมุติไปกําหนดขึ้นมาว่าวันที่เท่านั้นเท่านี้เป็นวันสงกราน นี่ถ้าไม่มีคนนะไม่มีภาษามาบัญญัตินะวันสงการานก็ไม่มีอยู่ใช่ไหมเออทีนี้คนถ้าไม่รู้ข้อนี้ก็เลยนึกว่าวันสงการานมีจริงแต่หารู้ไหมว่าความมีเนี่ยมันเกิดจากการกําหนดของคนถ้าไม่มีคนผู้กําหนดก็ไม่มีวันสงการานก็ไม่มีเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเนี่ยก็เพราะมีเรานี่แหละเพราะมีคนนี่แหละมันจึงมีปัญหามากมาย แต่ถ้าเข้าใจถูกว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภพพธรรมะที่ปรุงแต่งมีแล้วหมดไปไม่มีคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรหมดเลยนะมีแต่ปัญญาก็คือว่าเข้าใจได้ว่าอ๋อที่กำหนดอย่างนั้นมันก็เป็นแค่คนก็สมมติกันขึ้นก็เลยมาใช้สมมตินะมาอยู่รวมกันในโลกนี้แบบสมมติสมมติแต่โดยสัตจธรรมแท้เนี่ยมันอยู่เหนือสมมติคือ มันไม่มันพ้นจากสมมติแล้วก็มันพ้นจากความเป็นคนพ้นจากความเป็นสัตว์พ้นหมดเลยไอการพ้นแบบเนี้ยก็คือกลายเป็นความว ja ่างเปล่าว่างจากความมีความเป็นนะว่างเปล่าว่างจากความหลงยึดถือมันก็ว่างก็เลยไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครสุขไม่มีใครต้องเป็นอะไรเนี่ยต้องให้เข้าใจในปัจจุบันอย่างนี้อย่างนี้เนาะเออแล้วมันก็จะพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันอย่างเนี้ย นี si azzi, ่ถ้าเข้าใจจริงมันก็พ้นทุกข์แล้วเนี่ยตอนนี้มันพ้นทุกข์จริงๆเพราะว่ายมลองพี่นาดูที่เมื่อไม่มีเราเนี่ยแต่การนั่งการนอนยังมีอยู่แต่มันไม่เป็นเราอ่ะความเมื่อยความเจ็บมีอยู่แต่ไม่เป็นเราอะอย่างเงี้ยใครจะทุกข์ก็ไม่มีผู้ทุกข์มีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์หรือว่าถ้ามันมีความสุขนะความรู้สึกเออิ่มเอิบสบายใจอย่างงั้นอย่างนี้อ่ามันมีแต่ก็อาการอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครมีความสุข มันมีแค่อาการมีแค่อารมณ์มีแค่สิ่งผูกรู้ แ, elt, แ, แ, mereka, แล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าเข้าใจถูกแบบนี้มันก็เลยพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้หลวงพ่อเ น, young, เน้นมากเลยนะยเรื่องพ้นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันมันมันมีอยู่จริงแต่ที่มันมันไม่พ้นทุกข์ในปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นความไม่รู้เป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเราเกิดมาว่าเราว่ามีเราแต่ถ้าเข้าใจถูกถึงใจว่าโอ้สภาวะแต่ละอย่างอ่ะ มันไม่มีเราเลยอ่ะมันเป็นแค่สภาวะเออเป็นแค่ธรรมะเออมันมีอยู่แต่ไม่ไม่เป็นเราไม่เป็นคนแล้วก็ไม่มีใครไปยึดแล้วเคยจะทุกข์เคยจะสุขมันก็มันก็จบในปัจจุบันนะเออมันก็จบปัจจุบันได้เออเป็นอย่างนี้นะทํามะจริงๆกราบนูกสการครับหลวงพ่อครับโยมดร ก, ก็จะแชร์ก็ได้เนาะว่าเออจากการหลวงพ่อได้พูดได้คุยวันนี้ หรืออะไรเนี่ยมันมันเข้าใจแจ้งชัดที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นยังไงไหมครับหลวงพ่อครับก็ก็ชัดชัดเข้าใจชัดอยู่ครับหลวงพ่อครับคือคือการรู้ตัวที่หลวงพ่อพยายามพยายามที่จะบอกเนี่ยครับมันมันเป็นปัจจุบันนะครับคือคือถ้าเรารู้ตัวได้ในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย มันมันก็เหมือนเป็นเป็นคีย์ตัวเดียวเลยที่ที่จะใช้ยึดนะครับว่าเรื่องเรื่องราวต่างๆที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปหมายอะไรเลยครับมันมันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ก็อยู่ต่อไปเลยครับผมความรู้สึกว่าไอ้กุญแจสําคัญคือตัวเนี้ยครับตัวรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยเมื่อรู้ตัวเป็นแล้วเนี่ย ก็อยู่เลยอยู่อยู well. ่กับสภาวะตรงนี้ไปเลยครับอยู่ไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็จะเป็นเป็นไปตามอัตโนมัติด้วยหมดเลยครับก็ก็อยากให้มั่นใจตรงนี้ครับครับหลวงพ่อครับก็ลองสํารวจตัวเองนะว่าเออมันมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาก็คือมันก็เปลี่ยนเป็นเป็นปัญญาให้หมดเลยนะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นปัญญาหมดเลยว่า สิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้ความหลงนะทั้งหมดต่างๆมันไม่มันไม่เป็นเรานะมันไม่เป็นเราแต่ที่จะมองให้ออกเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกอะ่ะบางทีอเราไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีความเป็นเราอยู่เช่นเช่นเนี่ยการเข้าใจธรรมะว่าเออเรารู้แล้วว่าไอเ น, นี้ยเป็นสังขาร ทีนี got, ้ถ้ามัวแต่รู้จักแต่สังขารแต่ไม่รู้จักผู้รู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอวิชชาคือรู้จักแต่ว่าสภาพธรรมะว่าเอออะไรก็เป็นสังขารรู้จักแล้วรู้จักแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ยังมีเราเป็นผู้รู้อยู่ถ้าเห็นตัวเราถ้าเห็นตัวเราว่ายังเป็นผู้รู้อยู่ก็ให้พึงเข้าใจด้วยปัญญาว่าไอตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกัน เป็นสังขารเสมอเหมือนกับสังขารตัวอื่ น, นๆคือมีแล้วหมดไปหายไปเหมือนกันก็โยมลองดูสิว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ว่าจะรู้เรื่องอะไรนี่เนาะแต่เมื่อบางครั้งบางคราวมันก็ก็ดับไปคือมันหายไปเช่นเวลานอนหลับเห็ไหมเวลานอนหลับผู้รู้ก็ไม่มีเพราะมันมันหลับไปแล้วไงผู้รู้ไม่มีอ่ะทีนี้เวลาตื่นมาเอา้าผู้รู้ก็ออกทํางานอีกแล้วว่ารู้ว่า ว, นนวันเนี้ยวันเสาร์ รู้ว่าวันนี้วันที่สิบหกรู้ว่าเมื่อวันวันก่อนวันสงกรานเห็นไหมผู้รู้ทํางานอีกแล้วแต่พอหลับหรือว่าไปทำอื่นๆเพลินๆเอ้าผู้รู้ก็ดับอีกแล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่เป็นผู้รู้แบบเนี้ยยังเกิดดับได้ไงเออแต่ด้วยความด้วยเอาวิชาด้วยความไม่รู้ยังไปยึดรู้ว่าเรารู้เรารู้พอเคยจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เรารู้นะบางคนก็บอกเรารู้จริงๆฮะเรารู้จริงๆ เราเรารู้จริงๆนี่แหละอาวิชาตัวใหญ่เรามันมีที่ไหนอะแล้วก็เนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะปฏิบัติเสร็จแล้วก็ไปหลงไปหลงรู้ว่าเรารู้เรารู้นั่นเรารู้นี่ตรงเนี้ให้เนี่ยอย่างโยมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยให้มันตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยว่าไอ้ที่เคยหลงผิดว่าเรารู้เรารู้เนี่ยไอ้นี่มันเป็นเอาวิชาตัวใหญ่มันเป็นความหลงซึ่งเราอะมันไม่มีหรอกอย่างดีก็มีแค่การรู้ แต่ไม่ใช่เรารู้เอออย่างเช่นเนี่ยวันนี้วันที่สิบกคือมันจําได้ในทางสมมติวันที่สิบกแบบนี้เขาเรียกว่าวันที่สิบหกตรงกับวันเสาร์เขาสมมติขึ้นมาไอ้นั้นก็เป็นสมมติใช่ไมวันที่สิบหกก็สมมติเดือนวันเดือนปีก็สมมติแล้วก็การรู้สมมติก็เป็นการรู้คือจาได้ไ ร, รู้แต่สมมติไม่ใช่เรา การจำได้หมายรู้ก็ไม่เรามาจึงมีแค่ไอสมมุติกับสัญญาหรือว่าความจําได้หมายรู้แค่นั้นเองแต่ไม่มีเราเนี่ยถ้าเข้าใจถูกแบบเนี้ยเข้าใจเรื่องความไม่มีเราเนี่ยมันก็จะเร ป, ปัญญาได้เล็วว่าเออการเข้าใจแบบนี้คือถูกต้องแล้วเป็นสมาทิฐิแล้วก็เพื่อพ้นทุกได้ออกจากทุกได้อืมนี่นะตรงนี้สำคัญมาก อ, อารที่เข้าใจะูกตองว่ามันไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกรู้หรือเป็นผู้รู้เนี่ยมันไม่เป็นเรามันมีแค่ถังขาเนเกิดขึ้นกันอยู่ดับไปอ่าแล้วก็วิธีรู้คือรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่เกี่ยวกับอดีตอน า, นาคตถ้ามันหลงไปอดีตอน า, นาคตก็รู้ทันว่าอ้าวมันหลงไปมันหลงไปปรุงแต่งอ่าหลงไปปรุงแต่งแล้วก็รู้สึกตัวตื่นรู้ขึ้นมามันก็ความปรุงแต่งก็หมดไปดับไป ถ้ามันปรุงแต่งใหม่ก็รู้ทันอีกรู้ทันอีกรู้ทันแต่การรู้ทันหรือรู้ไม่ทันมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเออมันก็เป็นการเรื่องของสติที่มันได้ฝึกมาแค่ไหนล่ะเออฝึกมามากมันก็รู้ทันได้เร็วนะฝึกมาน้อยมันก็รู้ช้าแต่ไม่ว่าจะรู้ช้ารู้เร็วเนี่ยพวกเหล่านี้ความช้าความเร็วมันก็เป็นแค่สิ่งสมมุติเรียกขึ้นมามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรที่แท้จริงหรอก วันนั้นก็ให้กลับมาหเห็นให้เห็นตัวเองอะภาษาสมมติเนาะคือให้เห็นตัวเราให้รู้ตัวเราว่าตัวเราก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแค่ขันห้าปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยคือพึงระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใช้คำว่าของตัวเองให้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของตัวเองอะคือคือเราอะเรามีอยู่อะ แต่เรานะมันเป็นคำที่สมมุติหลวงพ่อสมมติเรียกขึ้นมาเรียกว่าเราแต่ความเป็นจริงนะสิ่งที่มีอยู่เนี่ยสิ่งที่ระลึกได้ตอนเนี้ยว่ามีอยู่เนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่เรานะมันเป็นของเป็นสังขารปรุงแต่งคือเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกสลายเสื่อมดับไปร่างกายก็รู้ๆกันอยู่ว่าเออร่างกายเนี่ยแต่เดิมก็ไม่มี อ่ตอนนี้มันมีรับรู้ได้จับต้องได้ในร่างกายมีแต่มันมีเนี่ยมันก็มีแค่ชั่วคราวเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายไปหมดสิ้นจนจนแบบหาร่องรอยไม่ได้จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นสิ่งเนี้ยซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็รู้ได้เห็นได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้คือถูกรู้ว่า คือถูกรู้คือมันเป็นสิ่งถูกรู้ว่ามันมีอยู่นะเออแต่ทีเนี้ยการปล่อยวางเนี่ยก็คือเมื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าไอ้รูปร่างกายเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสังขารเน่าเปือ่อยผุพังเนาะมันไม่มีอยู่จริงมันไม่ได้ข้างฟ้าอะไรมันแค่อยู่ในโลกนี้แค่ชั่วข่าวแล้วสุดท้ายมันก็แตกหมดเออก็ให้พึงพึงเห็นว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ ได้แต่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือไม่มีใครเอามันแต่มันมีอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ให้ประโยชน์คือมันทำงานได้มันมันทำนู่นทำนี่ได้เนาะเออมันไปพูดไปคุยมันไปอะไรได้แต่มันก็เป็นของมันเช่นนั้นแต่สุดท้ายมันก็ตายจากไปอ่าอันนี้ยึดไม่ได้แต่สิ่งที่จะปล่อยวางในขั้นต่อมาก็คือปล่อยวางอาการอาการทางจิต อาการทางจิตก็คืออารมณ์นะอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจอะ่ะพวกเรารู้จักใช่ไหมอารมณ์เช่นความสุขความสุขความปิติความโล่งความเบาสบายอะอันเนี้ยมันเป็นเวทนาเป็นความเป็นอาการเป็นอาการซึ่งเกิดขึ้นในจิตอาการนี้มันไม่ใช่จิตนะเออมันเป็นอาการก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันถูกรู้ว่าคือรู้ว่า ขณะนี้มันมีอยู่หรือมันไม่มีอยู่อาเช่นสมมติว่าตอนนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องความโกรธก็ได้อตอนนี้ถ้าความโกรธไม่มีในจิตเดี๋ยวนี้เห็นไหมก็รู้ได้ว่าไม่มีความโกรธไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็เวลาความโกรธมีแต่ตอนนี้มันไม่มีไงมันก็แค่เพียงจําได้ว่าเออมันเคยมีความโกรธมันเคยมีแต่ตอนนี้ความโกรธมันไม่มี ตรงนี้ชี้เห็นว่าความโกรธก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นแค่อาการทางจิตเออคาว่าอาการกับสังขารมันก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าบางทีพูดเรียกอาการบ้างบางทีพูดว่าเออเป็นอารมณ์บ้างหรือว่าเป็นเออเป็นกริยาจิตก็ได้ฮแต่มันก็ไม่คงที่ไม่คงที่ถาวรมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปความโกรธไม่มีแล้วหายไปไแล้ ว, หลวเห็นไหมความโกรธนี้ยเขาจึงเรียกว่ามันเป็นสังขาร น, นะไม่ใช่เรานะ เออความโกรธไม่ใช่เรานะเห็นไหมมันก็เห็นง่ายๆอยู่แล้วว่าความโกรธไม่ใช่เราถ้าความโกรธเป็นเราเราที่เป็นผู้โกรธมันก็ต้องยังอยู่สิแต่ตอนเนี้ยความโกรธไม่มีจะเรียกว่าเราเป็นผู้โกรธได้ยังไงเราเป็นผู้โกรธไม่มีเห็นไหมเราเป็นผู้โกรธไม่มีเพราะโกรธไม่มีอ่าพอไม่มีเสร็จแล้วมันก็ความโกรธอันนี้หลวงพ่อแยกเป็นสภาวะนะความโกรธเฉพาะความโกรธอ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้ได้ว่าเออมันมีก็รู้ แล้วมันไม่มีแล้วก็รู้ได้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นความโกรธก็เป็นอารมณ์เป็นแค่สิ่งถูกรู้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ชี้บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเนาะมันเป็นทุกขังคือทนสภาพให้โกรธนานถาวรไม่ได้มันจะต้องดับไปก็ความโกรธก็ไม่ใช่เราอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเรียนธรรมะก็ให้รู้จักสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่ามันเกิดแล้วมันก็หมดไป ไม่มีสภาพธรรมะอันใดที่เกิดแล้วไม่ดับะทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับหมดอ่าเห็นไหมประสบการณ์มันก็เรียนรู้ได้อยู่แล้วนีเ่เพราะฉะนั้นเวลาสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นก็รับรู้ได้ว่าเ อ, อมันเกิดแล้วก็แค่รู้นะั่นแหละไม่ต้องไปไปจัดการหรือไปข่มไปกดอะไรมันหรอกเ อ, อยิ่งมีสติมากมันก็รู้เร็วรู้ทันขึ้นเนาะพอขยับทํำท่าจะกดมันก็รู้ทันหรือโกดแล้วก็เอาความโกดเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการรู้ มันเป็นเป็นฐานที่ตั้งของสติเนาะฝึกให้มีสติรู้คือฝึกให้มีตัวรู้เนี่ยโกรธขึ้นตัวรู้ก็ทํางานว่ารู้แล้วว่าโกรธอ่าแล้วก็พอความโกรธดับไปตัวรู้มันก็รู้แจ้งว่าความโกรธดับไปเห็นไหมไอตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวโกรธแล้วก็ตัวรู้เนี่ยคือเป็นตัวที่รับทราบอรับทราบรู้แจ้งอยู่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าทีนี้อารมณ์อื่นล่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเช่นรู้สึกเฉยๆยว่างว่างโล่งโอ่ะก็รู้เหมัน นะแต่ก็รู้มันนะอย่าเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้โลง่งอยา่าอย่าเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้เฉยเฉยให้รู้ว่ามันมีความรู้สึกหรือว well, ่าให้รู้ว่ามันมีาม อ, กอาการอย่างนั้นอยูอย่โดยที่ว่าไม่มีใครหลงไปยึดถือว่าเป็นเรานะเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่แต่มันไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เราก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นน่ะเออรู้ไปแล้วก็ต่อมาต่อไปต่อมามันก็ไม่รู้มันหาย ไปตรงไหนอาการ manager, โ, ล name, โล่งๆโปร่งๆเบาสบายเพราะว่าไม่ได้ดูมันเมื่อไม่ได้ดูมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเหมือนกับว่ามันเกิดการรับรู้ขึ้นมาเกิดการระลึกได้ขึ้นมาเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นแค่อุปกรณ์ในการเรียนรู้นะเรียนรู้เรียนรู้รรรรรรและก็ไม่หลงไปยึดถือสําคัญตรงนี้ไม่หลงไปยึดถือได้แต่รู้มันก็จรจากไปมันก็จรจากไป อันนี้เมื่อรู้กายแล้วรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วรู้เวทนาก็คือสิ่งที่เกิดในกายในในจิตแล้วทุกอย่างเป็นสิ่งถูกรู้ก็คือไม่ยึดถือแต่ทีนี้อ่มันมีปัญหาต่อมาก็คือว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดในตอนต้นอ่ะเมื่อรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยส่วนมากก็ยังไปหลงยึดรู้ว่าเป็นเรารู้เห็นไหมนี่มองในภาพรวมเลยนะ ถ้าเราพูดแบบเมื่อสักครู่เนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรารู้เพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วว่าเออมันรู้ของมันเองอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันรู้ของมันเองไม่ใช่เรารู้อันนั้นก็เข้าใจถูกแต่มันมีอีกรู้หนึ่งเนี่ยที่เป็นเราเนี่ยคือเราอ่ะเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วว่าเอออะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปไอันนีเ้เรารู้อยู่นันเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันเป็นเราไง เพราะนั้นจะหลุดพ้นจากตัวเราได้ก็คือรู้เราอีกทีหนึ่งว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้รู้ยังมีเราเป็นผู้รู้เนี่ยพอเห็นเห็นเราเห็นเราว่าเราเป็นผู้รู้แค่เนี้ยแล้วก็พ้นจากความเป็นเราได้แล้วเพราะว่ามันมีรู้อีกรู้หนึ่งที่เป็นรู้แบบบริสุทธิ์มากเป็นรู้ที่ปราศจากความเป็นตัวตนเป็นรู้ที่พูดไม่พูดไม่จาเนาะเป็นรู้ที่มัน ธรรมชาติที่มันรู้เราอ่ะมันพูดไม่ได้เออธรรมชาติที่รู้เรามันพูดไม่ได้มันเป็นใบเพราะว่าไอ้ที่พูดได้เนี่ยก็คือมีมีแต่เนี่ยฝั่งปรุงแต่งเนี่ยพูดได้รู้อะไรแล้วก็พูดได้เช่นรู้ว่าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมรู้พวกเนี้ยพูดได้เอามาสอนคนได้เอามาบอกคนอื่นได้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นไหมไอ้รู้อันเนี้ยรู้ที่พูดได้มันก็เป็นรู้ที่ปรุงแต่งเป็นรู้ที่เกิดดับ แต่มันมีธรรมชาติอีกรู้หนึ่งที่มารู้เราว่าว่าไอ้รู้แบบเนี้ยมันพูดได้ทีเนี้ยถ้าเข้าใจตรงนี้ได้แบบเข้าใจแบบไม่ลืมนะเข้าใจแบบตลอดเลยว่าความรู้อันใดที่มันรู้แล้วพูดได้เนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่ปรุงแต่งเป็นรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ปลอมนะเอามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารพูดคุยธรรมะมาบอกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รู้ที่บริสุทธ ผุดพองอะไรหรอกมันเพราะว่ามันยังปุงแต่งและมันเกิดดับเนี่ยที่หลวงพ่อมามีความรู้อะไรแล้วก็ออกมาบอกโยมเห็นะอันนี้เป็นรู้ปลอมหมดเลยนะโยมเป็นความรู้ปลอมๆเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้พูดตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็หมดรู้มันก็ดับไปเวลาหลวงพ่อหลับความรู้ก็ไม่มีสักกตินหนึ่งมันหยุดหมดหยุดทํางานเห็น ไ, ไหมเพราะนั้นรู้เนี้ยเป็นรู้ที่เกิดดับเป็นรู้ที่ปรุงแต่งไม่ใช่รู้แท้แต่รู้แท้เนี่ยมันพ้นไปจากรูปลอมมันพ้นไปจากตัวหลวงพ่อมันพ้นไปจากสังขาร มันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์พูดไม่ได้ไม่มีอาการอะไรเลยกระดุกกระดิกก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆก็ไม่ไดออ้ได้แต่รู้แจ้งอยู่แต่การที่หลวงพ่อไปพูดถึงไอ้ไอรู้ที่มันบริสุทธิ์เนี่ยอันเนี้ยก็หลวงพ่อเป็นคนรู้อีกเห็นไหมมันรูปลอมอีกรูปลอมก็พูดไปพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้ที่มันรู้จรงิงมันไม่เคยพูดถึงเรื่องอะไรทักอย่างหนึง่งแต่มันก็ได้แต่รู้ ตรงเนี้ยประเด็นอย่างเนี้ยเอาถ้ายมไม่เข้าใจนะยกมือถามเลยเนี่ยประเด็นอย่างเนี้ยเพราะมันละเอียดอ่า